يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا يغرنكم الحياة الدنيا. และย่รَคุณบิลลาฮิลกรูร์อินนัสเราะยตานะคุมอดูอดูฟะ จะขี่รูหวั้นุกั الذين أ... الذين كفروا لهم عذاب شديد، بل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ล่ م ม์ม غفرة وأجر كبير. ัฟُ ي ِّ ن ََุ ه ُ سُوءُ ع ل ِ ه ِ فَرَآهُ حَسَنًا فإن الله َ يضل ما يشاء و ي ه د ي ما يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله ع ل ي م بما يصنعون بسم الله الرحمن الرحيم إ ฺอ ل ลลอฮฺอัลลอฮฺ ل ัลลอ ن ฺอัลล ل ฮ ه อ و ลล و ฮฺ ل ัลลอ ن ฺอัลล ن ฮ س อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล ل อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั و ลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ ا ฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ ا ل l a h u m m a bikah أصبحنا و bikah أمسينا و b نحيا و bikah نموت و ي ك ا و ر أ ب ِ م َ ا ت َ م َ ا ت ِ م ن ش َ ر ِ ما خ ل َ ق َ ك م َ ا ت ل ل ه ِ ت َ م ن ش ر ِّ ما خ َ ل َ و ذ بك لِمَاتِ اللهِ تَمَاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ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 รดีตุบิลลาฮิรับบะรับอ د สลามดีน่ ب ا ل ل ม و ฮัมมัดอิลลัสโ ا ละรดีตุ ا م ลลาฮ و รับบะ ا ับอิสล د มดี ر ่าวบิมุฮัมมัดอิลลัสโวละรดีตุบิลลาฮิรับบะรับอิสลามดีน่าวบิมุฮัม มินอาซาบินนาเรวาซาเบลควบรีวาซาก็เอาแค่นี้ก่อนนะนี่ดูอาที่พูอ่านเมื่อกี้คือดูอาะปกป้องโรคโรคนี้โรคโควิด -19 ให้อ่านอย่างละ3ามเที่ยว3ามเที่ยวสามเที่ยวนะครับก่อนอื่นพี่น้องที่ร่วมนมาสซุบที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับซีที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านพี่น้องทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลละ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราหยุดเพราะว่าพนักงานหยุดหมดแต่เราไม่ได้หยุดในระสอนตับสี น, นะสอนแค่อายาเดียวนะครับวันนี้ก็สอนสอนสอ น, สอนซ้ำอายะที่ห้าอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับต้องนึกถึงอ AH ัลลอฮ์เยอะๆวิธี ป, ป้องโรคโควิดเนี่ยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำนะก็ทำแบบนั้นละหนึ่งอยู่บ้าน สองจะออกข้างนอกให้ใส่อะไรนะใส่มาสก์ภาษาไทายว่างไงนะนี่อย่างนี้นะแล้วก็อย่าออกไปเยอะนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆถ้าล้างมือเราอธิบายว่า อ, า, า, อ, อาบน้ำนมัสสนั่นแหละพออาบน้ำนมัสค์แล้วก็นึกถึงสุนนะของนบีที่บอกใส่นาบีลานเนี่ย ก็าอาบน้ำนำมาถูกครั้งแล้วก็นมาสองรากเราก็นำมาเอาสุนัขของนบีที่นบีรับรองนะ่ะเอามาใช้ได้เลยตอนนี้ฉะนั้นนมาได้ตลอดเวลายกเว้นตอนเที่ยงอย่าอย่านมาพราะเป็นเวลาคนใช้ตอนขณะที่ตะวันตกเป็นเวลาคนใช้ตอนอย่านมารถึงนั้นนมาได้ตลอดเวลาหลังอาซาดก็อย่าอย่านมาอย่าแงบบนี้เป็นตน้นนะครับขอบคุณอนะัลลอฮ์นะพี่น้อง ที่เราเป็นมุสลิมแล้วก็อยู่ในาศาสนาอิสลามแล้วก็พยายามเรียนเรื่องสุนัขของท่านนาบีมศลามาลละซัลลัมกันแล้วก็จดจำด้วยพี่น้องแล้วโรคอย่างนี้มานี่พี่น้องครับไม่ใช่อยู่บ้านอย่างเดียวนะไม่ใช่อ่านน้ำละมาอย่างเดียวนะต้องขอดุดมอาด้วยขอดุดมอาอย่างที่ขอ เ, อเมื่อกี้เนี่ยอลัลอลอฮฺ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله مجنّع زبك من البرص و ا و ن ا ل ج ذ ا م و ن سيئ الأصوات เนี่ยเยอะเยอะและวจิกรล้อด้วยจิกรล้อกับขอดูอาไม่เหมือนกันนะจิกรล้อนะกับขอดูอาคนละอย่างนะจิกรล้อก็ สุขานุลลอฮ์ الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الملكين قدوس أستغفر الله อย่างนี้เขาเรียกว่าศึกกรุณาถ้าขอถวาก็ก็ขอถวายไม่จะกินให้ห่างไกลโรคนั้นโรคนี้โรคนี้โรคนั้นที่ท่านอาบีนแนะนำเอาไว้เพื่อปกป้องโรคโรคนี้นะครับไม่จไม่ใช่ทำตามที่หมอสั่งอย่างเดียวนะกินยาแล้วนอนนะ่ะไม่ใช่นะที่ท่านอาบีสั่งมีอีกนะ่ะ อ่านกูรอ่านด้วยนะอ่านกูรอ่านเยอะๆซึ่งรลๆๆุลนร้อยเยอะๆขอหนุนอาเยอะๆแล้วก็บริจาคด้วยเพราะบริจาคเนี่ยมันอัลลอที่ท่านนาบีสอนนะครับแล้วก็ออกห่างความชั่วทุกชนิดอยู่ในบ้านอย่าทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กับใครอ่ะก็ทะเลาะล ก, กับเมียบ้างทะเลาะ ก, กับสามีบ้างทะเลาะ ก, กับลูกบ้างทะเลาะ ก, กับหลานบ้างอย่าทะเลาะ ก, กันให้อภัย การให้อภัยนั้นอัลลอฮฺวรับบัดยิ่งใหญ่จริงๆหนึ่งสดแล้วก็สองอ่านกุรานสามซิคลุลลอสี่ขอดูอาห้าบริจาคหกให้อภัยแล้วก็ไอ้นอนก็นอนคือไปอยู่โรงพยาบาลก็นอนเหมือนกันอยู่บ้านก็นอนก็นอนแบบซิคลุลล้อเนี่ยอย่านอนเฉยๆเพราะทั้งหมดเหล่านี้เป็นการปกป้องโรครายร้ายทั้งหมดเลย วันน ah ี้เรามาอายะที่ห้านะครับของสุลตฟาติร์นะครับยอออายิหันนัสอินนาวัดัลลอฮิฮัก فلا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور الحمد لله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا يغرنكم بالله ا ل و อัลลอฮ์ข้อควานีตรงกับปัญหาที่เ <bir> กิด <ruled> ขึ <a> ้นเลย ไอ้ยังนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้เรื่องเรื่องปอนเนี่ยศัพท์มีอยู่คำหนึ่งนะอัลกอริทึคำสุดท้ายเลยนะวาลายอร์รนนุมบิลฮิลกอริทอัลกอรเนี่ยตัวเรนเนี่ยเรนฟัดฮะด้วยนะต้องฟัดฮะด้วยนะอัลกอริทึอริรรเนี่ยนะอุลามะตัฟซีตอธิบายไว้ ก็คืออัสัยปอนอรเรนฟัตฮะด้วยนะรเรนฟัตฮะเนี่ยอัลกอฮรูดมันมีอีกคำหนึ่งอัลฮูรูดแต่ในคุรอานจะใช้อัลกอฮรูดเรนฟัตฮะอัลกอฮรูดอธิบายไงใช่ไหมอัลกอฮรูดก็คือไซตอนอัลลอฮฺอักบัดคือชไซไซปอนนะครับอัลกอฮรูดแปลว่าชไยตอนมีฟัตใิลเรน หมายถึงสายตอนคืองานของสายตอนนะทำอะไรหรือเปล่างานของมันเนี่ยนะมันหลอกใช่ไม่ใช่หลอกใครอะ่ะหลอกมนุษย์มันจะหลอกแพ้หลอกแกะที่ไหนหลอกหลอกมนุษย์หลอกมนุษย์ให้อะไรนะให้หลงให้หลงดุนยาให้หลงอะไรให้หลงเงินให้หลงชื่อเสียง ในของที่มนุษย์ชอบหมดเลยนะเงินมนุษย์ชอบไหมชอบเด็กๆยังชอบเลย <c oughs> แล้วก็ลอกให้หลงในเงินหลงชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็ตําแหนง่งเนี่ยตําแหน่งนี้ละ่ะตำแหน่งอิหมามนี่โอ้โหกว่าจะออกไดน้นานนะ <c oughs> ถ้าท่านที่จะหกกลัวถ้าไม่อ่านอะไรเลยเนี่ยข ม, ขอมหอมหวานหมดฉะนั้นลอกให้หลงเงิน หลงชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศแล้วปังเชื่อก็รอให้หลงผู้หญิงด้วยนะเนี่ยใส่สามสี่ห้ารายการนี่มันตัวถูกใจมนุษย์หมดเลย น, ะนี่ถ้าไม่มีอิสลามควบคุมชีวิตนะไปหมดเลยนี่พวกเรานมุสลิมมัลลัมดุลีลาทั่วโลกยังมีอิสลามประคองชีวิตอยู่ยังนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงสุนนะนบี ให้เบาบางลงยับยั้งบ้างอลอััอ่อาอยยนอุอาอัยอหอ้มนุษย์เอยเห็นไหมมนุษย์วันนี้มีเท่าไหร่ประชากรเจ็ันล้านกว่าๆแล้วเนาะเจ็ดพันล้านวันนี้นาะมื่นหมดเลยนะใช่หรือไม่ใช่เจพล้านวันนี้นะครับ โดยโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยโอ้โหอักบัตปันกันหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ฮัดยตนาบีสอนอย่างนี้ท่านหญินอชชารายงานบอกว่านางได้ถามท่านนาบีตออุนโรคนี้เขาเรียกว่าตออุนนะโรคระบาดแบบนี้เป็นยังไงนบีตอบนาบีก็บอกว่าโรคอย่างนี้นะอาซาบุญ อัลลอฮ์อาคุมัดเป็นอะไรนะเป็นการลงโทษอัลลอฮ์เห็นยังครับเป็นการลงโทษมาจากใครรู้เปล่ามาจากใคร <laughs> มาจากอัลลอฮ์ سبحانه และุ Allah ์ต่างัง่งั่งั่งัาา่งั่งั่งั่งั่งั่งั่งั่งั่งั่งัลงั่งั่งั่งั่งั่งั่งั่งท่งั่ิั่งั่งั่งั่งั่มัมมงง่งั่งั่งั่งม่งั่งั่งั่งั่งั่งั่งม่งั่งั่งั่ง่งั่งั่งั่งงั่ง่ัง่ัง เห็นยงครับนี่มาจากอัลละฮ์นะใครเล่าท่านนบีเล่าให้ิงอาชาฟังนางถามว่าไงนะตองอูน่ะตองอูนเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นยังไงนบีก็เล่าเองนะตออูนก็คือเป็นอาดาบที่อัลลอฮ์ต่อลาส่งมาอัลลอ์ <laughs> แล้วต่อมาอีกนบีก็เล่าต่ออีกนะครับฟ้จะอัลลฮูรหำมาตันลิลมุ่มินน แต่สำหรับมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลละ์โรคระบาดครั้งนี้เป็นรอฮมะสบายใจมนี่ใครๆพูดเนี่ยนบีพูดและนบีนะพูดนะพูดวอารมณ์หรือว่าเป็นเป็นเป็นเป็นวยเป็นวยทั้งหมดฉะนั้นนบีพูดนะอชาจาฟาจาอาลาหูรอฮมะตัน ล, ลิลมุมินิน โรคระบาดแบบนี้สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เท่านั้นมองเป็นรหมมะมองบวกไม่ใช่มองลบฮัมดุลิลละเรื่องที่สองน บ, บีพูดอีกนะเรื่องเรื่องที่สามดิฟไลซมินวัยูลินยะกรอุตานใครก็ตามนะครับที่พบกับเรื่องอย่างนี้พบว่าโรคระบาดมันกระจายมาทั่วโลกแล้ววันนี้เขาทำไงครับ ฝายย่กูซูฟีไบตีเขาอยู่บ้านของเขาและภาษาไทยเรียกว่ากักตัวใช่ไหมแต่ภาษาของฮะดีสคือยัมกูซูเขาอยู่ที่บ้านของเขาตัวร้ว่าการกักตัวให้อยู่บ้านเนี่ยเอาความรู้ของใครไปใชัของนบีใช่ไหมเมื่อ 1,400 งี่ร้อยปีที่นบีพูดเั้งหนึ่งพั0สปีนะโรคระบาดอย่างนี้ให้ทําอะไร อยู่บ้านเอ็ไหมฟรีใบที่ให้อยู่บ้านตัวเองอยู่แบบไหนครับซอบิรอนอยู่แล้วก็ต้องอดทนทำไมไม่อดทนละ่ะไม่อดทนไม่ได้พี่น้องครับต้องอดทนน่ะบางทีคนไม่เคยอยู่กับภรรยามาเคยออกเชา้าออกเย็นกับเชา้าออกเย็นกลับอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างกับลูกบ้างหลานบ้างมันคนคยออกอ่ะ แล้วไม่ได้ออกนี่มันก็เครียดบ้างซอบิรนให้อดทนต่อมาครับมัวตาซีบันแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอลัลลอฮ์ให้ไหมยอยู่บ้านสวัสดอยู่บ้านต้องหวังรางวัลตอบแทนจากอลัลลอฮ์ฉะนั้นอยู่บ้านนี่นี่นเป็นทัศนคของอุลมามะทั้งหมดเลยนะทำอะไรบ้างในช่วงเกิดวิกฤตอย่างนี้นี่นะอย่านอนอย่างเดียวให้อ่านกูนอ่าน เนี่ยมูฮัตดสิบันกับโบีรอนเนี่นะหนึ่งให้อ่านคุรานสองน้ำมาดยาคาดสามอาบน้ำนำมาดสม่าเสมอล้างมือล้างปากแปรงฟันแล้วก็เิคกรุลล่เลอะเยอะๆขออุเยอะเยอะๆบริจาคเยอะๆไม่ใช่กินแต่ยาายายไม่ใช่ใไม่ใช่ต้องอาัางซุนานะบีเข้ามามาอะไรนะมากากับชีวิตตัวเองด้วยอัลลอ์ว่าัเ็นยังครับ ยาและอันนาฮูลาอยู่ซีบูฮูและคนที่อยู่ที่บ้านหรือคนทั่วๆไปต้องนึกนะโรคนี้นะถ้าจะพบกับใครไม่ใช่พบโดยความบังเอิญนอกจากอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดนะให้ถูกคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ไอคนนี้เราก็ตามข่าวใช่ไหมล่ะคนที่ถูกวันนี้เนยระดับใหญ่ๆหมดเลยนะระดับบิ๊กบิกบกหมดเลยนะ Oh. อลออาคุบะเทียนยังครับติดติดพวกเราติดตามขา่าวคนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็เห็นนะเห็นนะเห็นั้มแล้วประเทศไหนถูกหนักที่สุดอันหนึ่งอเมริกาสองอิตาลีฝรั่งเศสก็ตามมาทำไมต้องติดตรงนั้นใช้ปัญญาต่อเองเกันแล้วกันมาต่ออธิบายตรงนี้นะครับเอาล็อกกำหนดให้ดิให้ถูกกับคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ใช่เกิดเองด้วยความบังเอิญไม่มีครับ ทีนี้ในฐานะที่พูดเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มองโรคนี้เป็นราะห์มะกานาละหูมิสุอัจรุสซาฮีดอดทนอยู่ในบ้านผลบุญเท่ากับอะไรชาฮีใช่ไหมครับแค่มองมองบวกยึดอัลลอฮ์ยึดสุนนะนบียึดอัลกุรอานเป็นทางนำสำหรับชีวิตแล้วก็มองโรคโรคต่างเหล่านี้มนจะมองรลบนะบวกนะเป็นราะห์มะนะ อัลลอฮุล ah. <laughs Mind Di ash io> um ับุนท um ่ากับอะไรช ه ي د อัลฮะมดุลิลลาห์นี่ฮะดีษของอิบุคอรีอัลลอฮฺวอัลกุบาฮะดีษเท่าไหร่นะ 3,474 รอยัครวจหุลบุคอรีและในฟัตฟัดุลบาดนะครับอธิบายฮะดีษเนี่ยก็หน้าที่194อนะครับอัลฮมดุลิลลาห์ตกลงว่า มุมินผู้ศรัทธาต่อโลกทั่วโลกมองโรคนี้เป็นอะไรเป็นราะมะมองบวกอัลฮัมดุลิลลาการกักตัวอยู่อยู่ในบ้านเป็นคำสั่งของนบีอัลฮัมดุลิลลาอยู่แบบไหนครับสอบิร้อนอดทนระหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์สุบฮานะหูอัตอลาจะออกข้างนอกก็กระทรวงแนะนำแล้วให้ใสน่นูนใส่นี้นกะงหน้ากากก็ก็ว่ากันไปนะ แล้วก down, S, ็ยืนห่างกันเท่าไหรสองเบรก็ปฏิบัติกันตามที่รัฐบาลหมอได้อธิบายเอาไว้นะครับห้ามดูริเลอร์แล้วก็ขอดูอาด้วยนะขอดูอาว่าไงอัลลอฮุมะเย็นนีอูงดูเบกะมินัลบารอสิวัลจูนูนิวัลจูดามิวะมินไซอิลอาสกอมนำมาจักขาดอุลลอฮฺทำบุญล้างมืออาบน้ำน้ำมาในระบายจนล้างมือหลายครั้งนะ ก่อนอาหารก่อนล้างมือหลังอาหารก่อนล้างมือใช่ไหมเราวันละกี่ครั้งเราทานอาหารสมครั้งรกแล้วนะน้ำมาดอีหละอีห้าเท่าไรสิบเอ็ดเรก็น้ำมาดสุนัตอีหละตะหัดยุตอีหละแล้วก็ดูฮ้าอีหละออกนอกบ้านพอกลับมาล้างมือล้างน้ำล้ามด้วยล้างด้วยน้ํำสะอาดกว่าล้างด้วยอะไรนะน้ํายาก็น้ํายามันก็ช่วยได้แต่ รานเวนามันดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราทำดูลิลล่าสรุปว่าโรคระบาดนี่มาทําให้เราได้เขาเรียกว่าอัลการฟริซบะต้องอ่านเยอะขึ้นอัลการฟริลมาซาก็ต้องอ่านเยอะขึ้นทําบุญก็ต้องเยอะขึ้นบริจาคเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อย่าทะเลาะ ก, กับคนนะครับเราทำดุลิลล่าเอาต่อมานะครับเราทำดุลิลล่า ยัยยุหันอัปดามนุษย์เอ๋ยอินน่าวะดลลอฮิฮักบุญแท้จริงสัญญาของอัลลอ์นั้นเป็นจริงคำว่าสัญญาที่นียหมายถึงอะไรหมายถึงวันกิยามะเป็นเรื่องจริงเพราะหลายคนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่แม่แตไม่เชื่อเราไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ศรัทธาใช่ไหมล่ะวันกิยามะอ มันเป็นไปไม่ได้ impossible เ oh, ฉยไมนี่อัลลอฮ์เล่าแลนะ้วก็เป็นอ่าเดียวเล่าเดียวเล่านะวันเกิยม์มมีจริงทีนี้ฟาลายาูฟาลาวันเกียม์มมีจริงวาลายากรนักุมไม่ใช่ทีฟาลาตากรนกุมุลไหยาตุจุนยา อย่าให้ชีวิตดุนยาหลอกสูเจ้าเห็นยังเนี่นยเราพูดชัดไหมง่ายมากอย่าให้ชีวิตโลกดุนยานี้หลอกลวงสูเจ้าที่เราเรียนมาเนี่ยโลกดุนยาใบนี้มีชื่ออยู่สามชื่อใช่ไหมหนึ่งใบตุ้ลอังกระบูดใยแมงมุมที่ผ่านมาแล้วนะแล้วก็เรื่องที่สองอัลกูรู หลอกลวงบูรุษแปลว่าหลอกลว ง, ลวงถ้ากรูรุแปลว่าชัยตอนนะอัลกูรุษแปลว่าหลอกลวงโลกแห่งการหลอกลวงหลักอิสาอีกคำหนึ่งยานาฮูบ่าออลปีกย ok ุ่งโลกดุญญนยาใบนี้ถ้ามีค่าเท่ากับปีกยุง่งอัลลอฮ์จะไม่ให้คนกาเฟตเนี่ยดื่มสักอึกหนึ่งของน้ําแสดงว่นนนานะใจซะทาของอัลลอฮ์เนี่ยสอนมุสลิมอย่าจะติดกับโลกดุนยาโลกดุนยาเนี่ย ดานี่แปลว่าไร้ค่าขณะไร้ค่านะลายยังแสนล้านโอโลโโแต่ังวัลละห้ามืนนี่อืสตานปตนเ <c oughs> นี่เตือนมุมินผู้ศรัทธาต่อรให้อยู่กับอัลลอ์ยึดกับอัลล์ น, นี่แหละใช่ไมยิงโรคระบาดอย่างนี้มาเนี่ยใจต้องโยมกับอัลล์ให้เยอะนะครับตัวองว่าตัวแทนของโลกดุลยา ใบนี้เนี่ยอุลมะอธิบายนะที่กุรอ่านอธิบายเองก็หนึ่งอะไรนะบ้านมาบ้านานยายแมงมุมสองปีกยุ่งสมโลกแห่งการหลอกลวงใช่ไหมอีกกุรอ่านนะก็นี้เรื่องเรื่องนั้นนะ่แมงมุมนะ่อธิบายอย่างนี้นะผมนั่งคุยแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มจากตบทสีกุรอ่านนะเพราะรอ่านบางทีมอ่านไม่ละเอียดเนะี่ยแมงมุมหนึ่งนะชีวิตแมงมุมเป็นอย่างนี้ ผู้ที่สร้างสร้างรังนะ่ะตัวเมียตัวสร้างรังนะ่ะตัวเมียแล้วก็ตัวเมียเวลามันจะผสมพันธุ์มันจะไปหาตัวผู้แล้วก็ไปแสดงนะครับก็บไปจีบผู้ชายนะโอ้ยงนะ่ะไปจีบตัวผู้พอผสมพันธุ์เสร็จแล้วพอตั้งท้องเสร็จแล้วนะมันฆ่าตัวผู้นี่ชีวิตแมงมุม ข่าตัวผู้พอออกลูกเสร็จแล้วนะครับพอลูกมันโตมันออกปเป็นเป็นร้อยเป็นพันเลยนะมันจะออกตัวสองตัวนะออกไปร้อยเป็นพันเลยนะลูกเรามันโตแล้วแข็งแรงแล้วมันรวมกันฆ่าแม่มันอะ่ะนี่ชีวิตของอะไรนะของแมงมุมที่อัลลอฮ์เล่าในคร์อัลกุรอานย่าเอานิสัยของแมงมุมมาชาติครอบครัวท่านเมียข้าหัวเดือแล้วก็ลูกเราก็ฆ่าฆ่าแม่จะเป็นไงอะ่ะ นี่ที่นั่นยาเอาชีวิตแมงมุมมาใช่อลัลลอ์สร้างแมงมุมมานมแล้วก็อ่านว่าไงนะ้ำแมงมุมนี่นะแบบเสมือนดุนยาใบนี้แหละไรค่าจริงๆอ่ะแค่ชีวิตแมงมุมเนี่ยศึกษ า, าไปเป็น้องย้อนจำนวนตนต่ออัลลอฮ์ทันทีอัลลอว์บอกไปฉันยึดนบีมุฮัมมัดเป็นแบบเราไม่ยึด แมงมุมเป็นแบบเราไม่ยึกนกพราเป็นแบบเราไม่นึกแมวเป็นแบบเรานึกถึงสุนัขนบีเป็นแบบทำทุรีลาเป็นทางปลอดภัยหมดเลยครับอะตอมาครับฟาตะกรันกุมุลฮ a y a t u l dunya และจงอย่าให้ชีวิตของโลกนี้หมายถึงโลกดุนยาเนี่ยนะล่อลวงสู่เจ้า ว่าอย่ารอนักุมบิลล์ฮิลกอรุตกอรุตเปวัา น, น, นะนะใส่ตอนนะและอย่าให้ใซตตอนอัลลอฮอักบัร์ทำเลยละไซต์ตอนเห็นตัวมันเปล่าไม่เห็นแต่มันเห็นเราเห็นยังเนี <c oughs> ่วยวอเล่านะอย่าให้ใซตตอนเนี่ยที่ ล, อล่อลวงสู่เจ้าเนี่ยเกี่ยวกับอัลลอ์อย่าให้ไซตตอนเนี่ย ทำให้เราลืมอัลลอฮฺเห็นยังครับตกลงว่าไซต์ตอ น, นี้มันมีหน้าที่อย่างนี้นะมันมีหน้าที่จูงมีหน้าที่ล้างมีหน้าที่ย้อมย้อมอะไรย้อมสมองย้อมความคิดของมนุษย์มีหน้าที่อย่างเดียวกับย้อมล้างสมองล้างความคิดจูงสมองจูงความคิดนี่มันจูงอย่างเดียวนะให้ลืมอัลลอฮฺ นบีก็สอนอย่างนี้ใช้ตอนมันอยู่กับเราน่ยตัวเดียวนะ่ะมาลายกาอยู่กับเราสีองค์ห้าถวยความจําใหม่นะอยู่ห้าองค์นะ่ยซ้ายขวาสองข้างหน้าข้างหลังสี่และอีกองคหนึ่งเขาเรียกว่ามาสนับสนุนให้ทําความดีแต่ใช้ตอนอลัลลอฮ์ส่งมากี่ตัวตัวเดียวทันหญิงอชิชชามีอยู่ข้างหนึ่งนบีที่ไปฮะดีก่อนอีกมาหนบีออกไปคือนบีนอนกับทานหญิงอิชชาที่บ้าน วันนั้นเวียดหญิงไอซาเนอนน ะ, ะนบีก็ออกไปเข้าห้องน้ํา ข, ข้างนอกอะ่ะสมัยนั้นโรงยัอะไรนะรถท้องห้องน้ำยังไม่มีพอออกไปก็นานได้ว่านาบีควจะไปหาภรรยาอีกคนหนึ่งพอกลับมาเนี่ยนางไอซาหน้าน่านไม่ดีนบีก็บอกว่าชาตอนทําทําให้เธอเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอย่างนี้เขาอกวมีไม่ใช่ตอนเดีอเด้บอกว่ามีชาตอนทุกคนที่ท่านนาบีมีเปล่า เปรียวกัมีแต่ว่าอาอานีมันช่วยเหลือฉันฟาอัสลามะและไซต์ตอนด้วยฉันเป็นมุสลิมแล้วนี่อยู่ไซต์อนตัวเดียวที่ยอมคือนบี ม, มุฮัมมัดสุลตัลามนอกนั้นไม่เกรงใจใครสักคนหนึ่งเพิ่งรู้โอ้โอโดังนั้นใครที่หน้างอนงอนบึงบ้งเบึ้งนะนั่นไซต์อนทั้งหมดแล้วนะฉะ <c oughs> นั้นจึงว่าให้ยิ้มแล้วก็สลามกอ ถ้าหน้าเบื้องในเองเอาใครมาใช้นะเอานิสัยไซตตอนมาใชาอ้อลลอห์นี่มันคุมจักรวาลเลยล่ะคำดุรินเลยคำดุรินเลยไปนอนไซตตอนอยู่กับเรานะตัวเดียวนะแต่เราเนี่ยยอมใครยอมไสตตอนน่ะนอกจากมุมมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เท่านั้นแหละที่ไม่ยอมไซตตอนฉันอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอะลาอิกะทีนี้ไซต์ตอ น, นเป็นอย่างนี้ มันวิ่งอยู่ในหัวใจของมนุษย์เนะส้นเลือดนะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของของของของหัวใจมนุษย์ทีนี้มันจะไม่วิ่งตอนไหนหรู้ไหมมันจะพอลุกขึ้นนมาแต่หยุดเนี่ยมันหยุดเลยนะพอลุกขึ้นนมาแต่หยุดเมื่อไรนะมันหยุดแล้วก็ใครที่นึกถึงอัลลอฮ์สม่ํามเสมอมันหยุดมันจะแอบไปอยู่ข้างหลังเวลาเราลืมนึกถึงอัลลอฮ์เมื่อไรมันเข้ามาคอนโทรลทันทีเลย อย่างครับนี่ใครเล่าอะไรฟังนบีมุฮัมมัดเล่าให้ใครฟังนี่คณะใหม่หรอไม่ใช่โซนเราอะนะไม่ใช่คณะใหม่ไม่ใช่นะใชใชวะฮบีไม่ใช่นี่คือสุนน่าของท่านนาบีเล่าเลยฟังว่าชายตอนเป็นอย่างนี้แหละมันมีอิทธิพลมากถึงขนาดนี้มันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์โอ้โหอักบัดเอาต่อมาครับวันนี้พูดเรื่องชายตอนเยอะหน่อยนะชายตอนเป็นอย่างนี้ อิบลีซเน่ยเป็นเป็นหัวหน้านะมันร้องไห้มีว่าสีครั้งที่มาร้องไห้เสียงดังแล้วก็แย่เลยนะครั้งที่หนึ่งมันร้องไห้พรองก็ร้องเสียงดังด้วยนี่นบี ล, ล่าให้ฟังเองนะครับขณะที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ขึ้นไปบนชั้นชั้นฟ้าก็ไม่ใช่ไงอันนี้ก่อนถูกมารลาอูนถูกสาบแช่งมันรบกวนเสียใจมากเลยวันที่อัลลอฮ์สั่งให้มาไลากัส กราบนาบีอาดัมให้สุญู ต, ตัวนบีอาดัมมาเลกข้าสุญูตใส่ตอนยินไม่สุญูตอลัลลอฮ์ถามว่าทําไมไม่สุญูตเขาบอกว่าฉันถูกสร้างมาจากไฟและอาดัมถูกสร้างมาจากดินไฟกับดินใครดีกว่ากันนี่มันคิดเองมันอะท่านศาสนาคิดเองไม่ได้อัลลอฮ์เลยละอันตใส่ตอนจนถึงวันยอนเทียมะมันเสียใจมันร้องดิ้นพลาดเลยอะ ครั้งที่สองมันเสียใจตัวหนตอนที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ขึ้นบนชานฟามันขึ้นไปทาไมาชัยตอนอนะิบลิสน่ยขึ้นไปฟังว่ามาลาอิกาคุยเรื่องอะไรกันว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรพอห้ามปั๊บนี่มันเสียใจมาร้องดิ้นพลาดเลยเรื่องที่สองเรื่องที่สมวันที่นบีมุฮัมมัดถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีที่นครมักกะสังเกตนะ ชาตอนมาเล่าให้หัวหน้าฟังบอกว่านี่มี น, นบีขึ้นมาใหม่อีกคนหนึ่งเมื่อก่อนนี่มันหายไป ก, กี่ปีอ่ะหลังจากนาบีมูอีซามาจะมาห้าร้อยกว่าปีไม่มีนบีมาเลยอ่ะตอนนี้มีนบีมาแล้วเนี่ยก็ไปค้นดูหากันไม่เจอแต่มีอยู่ตัวกว่าชฉันไปหาให้มันหาเก่งไปเจอที่มักกะมาเล่าให้หัวหน้าฟังว่าเจอแล้ว คนที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยอยู่ที่มักกะพ่อไปกันอ่ะอหูไปกันเป็นจะมาใหญ่เลยอ่ะพัไปถึงพับจะไปเล่นงานนาบีเจอใครนั่งอยู่นะยิบรีหรืออะไริสลามเป็นไดรเร็กเตอร์นั่งอยู่ไม่กล้าเข้าอ่ะเห็นยังครับมันเสียใจายมากที่อัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมาเป็นนบีคนสุดท้ายแต่มันเสียใจายมากแหะมันต้องการจะมาเล่นงานนาบีแต่ไปเจอใครนั่งอยู่ยิบรีล มีตั้งหกร้ปเองอ่ะแล้วก็เรื่องที่สี่ที่มันเสียใจดิ้นพลาดเลยนะอะไรนะตอนอัลลอฮฺประทานอันกรุรอานสุรฟาติฮาลงมาสุรอะไรนะฟาติฮานจะนั่นเราอ่านสุรฟัฟทาเยอะๆให้ลูกอ่านเราอ่านพรรยะอ่านอ่น บ, อบอน่อยๆไปเนอะเช้ตอนมันนีออกจากบ้านแล้วหมดอย่าลืมนะสี่เรื่องนี้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามหมดเลยนะเกี่ยวกับอิสลามหมดเลยไปเนาะเพราะฉะนั้น นึกถึงอัลลอฮฺเยอะๆนะอย่าลืมสุนนะนบีอย่าทิ้งสุนนะนบีนะครับทําไมต้องให้ทําไมตอนขึ้นท้องฟ้ามันไม่ให้ขึ้นมาร้องให้เพราะต้องการให้ยิบรีนลงเอากุอานมาให้นบีแบบเคลียร์นะทาฟฟิกอะไรนะจราจรไม่มีบนท้องฟ้าใช่ไหมแบบในหลวงออกนะมีรถมอเตอร์ไซค์รถต้องจอดหมดใช่ไหมล่ะไอวิ่งอยู่คันเดียวเหมือนกันยิบรีนก็เหมือนกันเอากุอาน ล, ลงมาไม่มีอะไรมาขวางกันสง่า ง, งามไหม น, นี่ชายตอนมันเกลียดมากเลยนะโอ้โหให้ฉันหยุดอีแล้วมอมัด ม, มาก็เสียใจยอีแล้วดิ้นพราดเลยถูกถูกสาบแช่งก็ดิ้นพราดแล้วก็ถูกประทานอันกราลุมาาสโลฟาติฮะมันก็ดิ้นพลาดทันทีอีกเรื่องหนึ่งจะบอกท่านพี่น้องนะครับว่าชาตอนกินอาหารนะมันกินนิ้วเดียวกินนิ้วเดียวน่ะ คนที่เย่ยิ่งจองหองตะกรบบดคนที่อาวุโสในใ น, ในแผ่นดินนี้จะกินสองนิ้วสังเกตเรากินนิ้วเลยนะสังเกตสังเกตดูในทีวีนะสังเกตดูส่วนบรรดานาบีทั้งหมดจะกินอาหารชายนิ้วสานิ้วบรรดานาบีทั้งหมดเราตามใครถ้าตามชายตอนกินนิ้วเดียว ถ้าตามคนเยอะหญิงจองหอนอวดดีผู้ผู้ใหญ่ผู้โตคนมีชื่อเสียงโด่งดังที่ไม่รู้จักอิสลามเนี่ยจะกินกี่นิ้วสองนิ้วเราไม่ถึงช้อนส่อมหรือเปล่าผมไม่รู้นะแล้วก็ส่วนบรรดานบีทั้งหมดกินกี่นิ้วนิ้วไปไหมไปน้องวันนี้นิ้วเรามาไมด้ชานิ้วเลยนะชาชาชาาชาอหมดเลย ฉะนั้นหันมาชาสุนา่านาบีดีวกว่าอย่าเรื่องว่าโรคเหล่านี้นะมันกลัวสุนา่นานบีนะนี่นี่ น, นอะไรนะเนี่ยเรี่ยถ บ, บาตูซาด้าของที่อัลลอฮ์กล่าวในคัมภีร์คุรานเนี่ยน้ํามันใจตูนเป็นน้ํามันที่ใช้ตอนกลัวมากที่สุดนะกลัวมากอินทรพลามก็กลัวฉะนั้นวิธีปกป้องโรคนี้กินพลามคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะเจ็เม็ดถ้าหาอาจุาไม่ได้ก็ อะไรนะั่นไอ้ธรรมดานี่ที่ขายพวทั่วไปนี่เราเอามากินเจ็ดเม็ดปกป้องโรคได้ด้วยอ่ะนี่ใครสอนนบีสอนคำสอนของนบีในไซตตอนมันกลัวนะครับอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาทีนี้เมื่อคืนผมนั่งคุยกับลูกหาวเนี่ยมาจากไซตตอนแล้วก็เวลาหาวนี่นะให้เอามือปิดปิด ป, ดปากคนที่เลี้ยงผี คนที่เลี้ยงยินคนที่เป็นหมอดูทั้งหมดเนี่ยนะก่อนที่ชายตอนจะมาเนี่ยมันหาวก่อนนะพวกหมอดูทั้งหมดพิสเกตดูสิหาวหาวหาเดี๋ยวชายตอนมาแล้วยินมาแล้วท่านอิสลามสอนอนะย่าเรียนวิชานี้นะอย่าเรียนวิชาสยศาศสตร์เพราะสยศาสตร์นั้นก็คือชาตอนกับอีบลิชมาคอนโทรลชีวิตมาอยู่หมดเลย ทัา น, นออกห่างเรื่องเหล่านี้ฉนั้นที่บ้านเราตัวมีเสียงอัลกร آن, ุรอานซิกรุน ล, ล่ออยู่เป็นประจำอย่าให้อยู่เฉยๆไปน้องอย่าไปยุ่งกับหมอดูนะเพราะหมอดูนั้นอาศัยใครอาศัยใไฉตอนและมันจะหาวอเดี๋ยวหาวเดี๋ยวหาจะอันนี้ไฉตอ น, นมาแล้วเดี๋ยวมันก็เล่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้ น, นอัลลซุลิมิลลาฮิมิลลาฮิเลขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์สายศาสตร์พวกพวกหมอดูพวกเข้าทรงนี่ทั้งหมดเลียนนี่ยนะเลี้ยงผี แล้วก็จะหาวหาวหาวหาวหาวตลอดเวลานบีรัสั่งว่าวะอัมมัชตาซาอูบูฟะอินนมาฮูวาเมนะไซตอนการหาวนั้นมาจากไซตตอนหะดุสไฟมันใบฮะตีและอิบามุคอรีด้วยท่านหาวมากๆไม่ดีท่านดาวตัวอือได้นะปิดปากแล้วอ่านอุสบิลละตุสต่อนอิปตอัลฮัมดุลิลลาฮ์ตุ่อนนี่้องซต์ตอนยาวมากนะเอาแค่นี้พอนะครับเอาต่อมาอายะที่หก อินชาอิควาณัลลักุมอาดูฟัตทักิดูฮฺอาดูแะอินนามะยาดะอูฮิซบะฮฺลิยาคุนูมินอัชฮะบิสซัยร์ alhamdulillah อินชาอิควาณัลลักุมอาดูฟัต มั้ด ใ, นน ใ, ให้รหนนู้เนตุการณ์ที่เกิอขึ้นในชีวิตของล่านท่านจะรด้รู้ว่าท่านเป็นคนที่มีคุณธรระ โรคนี้ก็ใชตออ่ตัวหนานี่โรคเนี่ยอรอแค่ยังอ่ะอามาดูศัพท์ครับอินนัไซต์อนแท้จริงชัย์ตอร์รืตัวมานั่นอ่ะเป็นอะไรอาดูนอะไรศัตรูเอนิมีเ่เป็นศัตรูลักุมกับพวกท่านทั้งหมด ไม่ยกเว้นน บ, บีามาุ h a ม m a คนเดียวน บ, บีวะาชา้ยตอที่อยู่กับฉันเนี่ยอั ส, สลามะยอมเะแล้วเพียแลว้วเดินตามฉันหมดนอกนั้นมันจะไม่ยอมหรอกอ่านั้นจะยอมได้ตรง น, นึกถึงออลเยอะอ่าอินชัยตอารกุมอาดูแท้จริงมารหรือตัวมารไซตอนั้นเป็นศัตรูของสูเจ้า นีท่ทว่าใช้ตอนไม่เป็นศัตรูตัวใหญ่นะอลัลลอฮฺไม่เล่าอย่างนี้หรอกแต่ต่อไปอีกฟัตฮีรูฮู อ, อาดูจงถือว่าจงยึดให้มั่นนะว่ามันเป็นอาดูเป็นศัตรูจริงๆต้องมองนะให้นึ ก, กว่าเป็นศัตรูแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นให้แน่นเลยมันเป็นศัตรูจริงๆด้วยครับ ไม่ได้หวังดีเกับอะไรกี่ยกับมนุษย์หรอกมันต้องการอย่างเดียวให้ตกนรกมันต้องการจะดึงมนุษย์ให้ตกนรกอย่างเดียวแล้วก็งานที่จะทําให้ตกนรกก็คืองางานบาปใหญ่หมดเลยใช่หรือไม่ใช่เช่นอะไรบ้างชีริกต่อรอดเนี่ยงานเล็กเป็นงานใหญ่งานใหญ่บาปใหญ่อะชีริกบาปใหญ่ทรยศตาพ่อแม่บาปใหญ่ ทำศีนาบาปใหญ่กินดอกเบี้ยบาปใหญ่ฆ่าคนบาปใหญ่เห็ยังงานจัลงานที่ไซตตอนนำาอามาสเสนอเนี่ยมันถูกใจมนุษย์ใช่หรือไม่ใช่อดดอกเบี้ยถูกใจัหม <c oughs> ลุง <c oughs> นบีเชื่ออะเชงอับบาสทำสงครามออกทำสงครามกับท่านนาบีไปแพ้อันพอแพ้เสร็จแล้วก็ นบีก็บรรดาประชุมกับซอบว์บอกว่าเอาคนที่ถูกจับเป็นเชลยเนี่ยเสียอะไรนะเสียค่าถ่ายพอถึงเวลลุงมารายงานตัวกับนบีหลานเนื่องลุงหมดตังแล้วเอาออกมาทําสงครามกับหลานเนี่ยแพ้ อ, อีกแล้วก็เงินก็หมดนบีก็บอกว่าลุงตอนที่ลุงจะออกมาทําสงครามกับหลานเนี่ยลุงเข้าไปในห้อง แล้วก็เอาเงินฝากไว้ในถุงแล้วก็ฝากเมียไว้ในท่องในห้องทําไม่ อ, ออกมาลุงถามเอ็งรู้ได้ยังไงข้างบนเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วเห็นยังความลับในโลกได้ไหมไหมลุงรับ伊斯兰น่ะฉันยอมจํานวนแล้วแต่เอ็งอย่าเล่าให้ใครฟังบนลุงรับอิสลามน่ะเพราะว่าอาชีพลุงคือออกดอกเบี้ย ถ้าเขารู้ว่าลุงรับอิสลามตามหลานเนี่ยนะมันชักด่ามันหมดเลยเะพพี่น้องถ้าอ่านประวัติซาบาแต่และคนแต่และคนอร่อยจริงๆร <c oughs> ังห้มดุลินแล้วพี่น้ อ, อ, อ, อ, องอนดูต่อไปตัวเรว่าชายตอนเป็นไรนะเป็นศัตรู <c oughs> อ, อ๋อชายตอนอยู่กับเรานะอยู่ไหมอยู่ทำไมชายตอนกลัวอะไรทะกลัวกูราน กลัวดว่าลโลอควาสกลัวคนนึกถึงอัลลอฮ์ไม่อยู่ทางเดียวอย่างอื่นไม่มีคนที่ไม่นมาดเนะี่ยเป็นเพื่อนมันไอ้คนคนที่ไม่เรียนศาสนาเป็นเพื่อนมันมันจูงง่ายไม่เรียนซุนฮานะบีอสบายมากเลยลโลอวาสเห็นอย่างครับวันนี้เรานะ่ะเป็นห่วงสังคมใช่ไหมยายาน ย, า, ยาขาดนมานะลูกนะ พอพ่อรู้มะรู well ้ว่ามันเป็นทำให้ชตอนมาล่อลวงลูกง่ายที่สุดแล้วก็ท่มอบรมกันบ้างเตะกันบ้างอะไรบ้างในครอบครัวใช่ไหมเพราะเรากรูชยตาน่ะอิทธิพลนล่ออควัตออะต่อมาครับอินนามะยาดอฮิซบะฮูลาะคูนูมินอัลฮบิสซัยรอัลลาฮอะลลอัลลัลลอัลฮัลลลอฮ อินน้ามาแท้จริงสายตอนนั้นเป็นเพียงมันเพียงนะเป็นข้อเดียวนะยาเดามันร้องเรียกมันเชิญชวนโลมันด่าว่าเนี่ยทัพท์เดามัด่าว่าเหมือนกันพอดมันเชิญชวนมันรอกเรียกมันอะไรมันส่งเสริมมันยอมสมองอะไรครับฮิสบาหูพักพวกของมัน พรรพวกของมันไม่ใช่อิบลิซ ย, ยอมยอมยอมใสตอนนะยอมพวกเราฮิสบาหูมายถึงมนุษย์ที่เป็นพวกของมันนะไม่ใช่อิบลีซมายอมสมองใส่ตอนใส่ตอนมันมัต้องย้อนอยู่แล้วมันเป็นพวกกันอยู่แล้วแต่ที่เอาร่ำพูดว่าฮิสบาหูจริงๆหมายถึงพวกมนุษย์ที่ไม่เรียนาศาสนาถูกยอมง่ายที่ขาดเทมที่ไม่นามา ถ, ถูกย้อมง่ายที่ทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ตัวเองยอมง่าย ที่ดาภรรยาตัวเองนี่ก็ยอมง่ายที่ภรรยาด่าสามีตัวเองนี่ถูตสอนยอมง่ายที่สุดไม่ฟังศาสนาเลยเนี่ยสบายมากแค่ดิดนิ้วท่านลเดินตามแล้วเป็นขบวนเลยอินน่มาญาตอฮิสบาหูแท้จริงชูตอนเนี่ยนะมันเพียงแต่ร้องเรียกพรรคพวกของมันลี่อ่าไปนอนกับลี่ญากกูลคังวันลี่คำเดียวนี่ล่ละ ตัวอธิบายประโยคนี้ลี้เพื่ออะไรเรียกร้องเชิญชวนยอมสมองคนคนทั้งโลกที่อยู่บนโลกนี้เพื่อลี้เพื่อเพื่ออันนี้เพื่อต้องการจะให้มันจับลงในรกหมดเลยนะลียกูนูมินอัสตาบิสเพื่อพวกมันจะได้เป็นสหาย ของไฟที่ลุกไหม้เพื่อให้มนุษย์เนี่เป็นเพื่อนของมันตกนรกพร้อมกับมัน <c oughs> นี่ก็อานเล่าให้ฟังตัวลงวุงบลลี่คำบี่คเดียวนี่นะมีความหมายเยอะมากครับ <c oughs> เพื่อให้มนุษย์เนี่ยตกนรกเป็นเพื่อนกับมันอยู่ในนรกเพราะมันก็ไหนจะมันถูกมันโอ้แล้วถูกลา น, านัดแล้วเป็นชาวนรกแน่ใช่ไหมแะนั้นขออยากให้ตกกลุ่มมันกลุ่มเดียวให้มนุษย์ ตกด้วยนี่นบีเล่าอย่างนี้นะครับอิบลิสเนี่ยใช่ตอนเนี่ยอยู่กับอาดัมกับอยู่กับนบนะีมีหมดนะอยู่กับอาดัมเนี่ยมันยุให้เมียอาดัมโตฮาวนะ่ยทความผิดมันเข้าทางเมีย แต่ภรรยาของนบีมุฮัมมัดทุกคนนั้นช่วยฉันไม่ให้ทำผิดเห็นยางภรรยาก็มีส่วนนะภรรยาเรานี่นนะมีส่วนทำให้เราพลาดแต่ภรรยานานบีทั้งหมดทุกคนช่วยนบีไม่ให้ทำผิดแต่ภรรยาของนบีคนเดียวไม่มีคนนัหงเงินรูดด้วยเลยอ่าใครคนนู้นอีกเห็นไหม จะลืมนะภรรยาเนี่ยมีส่วนประกอบนะทําให้ผวาสามีนะตกนระกหรือขึ้นสวรรค์ก็ได้ด้วยนะถ้าไปเจอภรรยาที่ไม่เอาศรราสนาโอโ้มีแล้วไหมมีแล้วนะขอว่าต่ออรนะอลจะจะให้ฉันเนี่ยถูกล่อลวงโดยใช้ตอนที่ผ่านไม่ใช่ผ่านคนนั้นผ่านคนนี้ผ่านเพื่อนฝูงผ่านภรรยาเราไม่รู้สึกตัวโอ้โหแบบแบบดั้นให้ภรรยาฟังศาสนาเยอะๆนะครับ อัลลอฮฺวาบะฮฺบินอัเห็นอย่างครับฮุลิลลาห์นีนน้นี่นะานี้เนี่ยนะครับอุลมามะบางคนอธิบายบอกว่าในท afsir อิบนาอรนะรอธิบายบอกว่าในต a f ซ i r อัลมาโรรีอธิบายบาว่างนน บ, บีขอดุอต่ออัลลอฮเมื่อตอนที่อิสลามเริ่มเผยแผ่ใหม่ๆคนต่อต้านเยอะมากและคนที่ต่อต้านตัวจังๆเนี่ยไยินาอุมัร รอดีอัลลอฮฺอนุ ก, กรจะรับอิสลามเนี่ยต่อต้านนาบีมั่วหมาใช่หรือไม่ใช่อรอวางแผนจะฆ่านาบีนบีขอพรองอลัลลอฮฺอยากจะให้มีอยู่สองคนชื่ออาอบูญ่าห ล, ลกับไซนาอุมัดสองคนให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยรับอิสลามพอสองคนนี้เป็นหัวหน้าต่อต้านอิสลามอย่างแรงมากที่นครมักกะฮ์วันนั้นนบีขอพรอาคครับ เร า, ารับเลยนให้สายนาอุมัดมารับอิสลามทำให้อิสลามเข้มฉะนั้นการขออุอานี่สำคัญนะให้ลูกเรามีศาสนาที่เข้มไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะขออุทานด้วยครับยิงโรคระบาดอย่างนี้ไม่ใช่ปิดหน้ากากอย่างเดียวนะต้องขอดุอานด้วยนะการขออุทานช่วยได้ครับฉะนั้นไยนาอุมัดนี่นะ ที่รบอิสลามเพราะดอาของใครของท่านนบีมูฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมขอบคุณับฮมดุลิลาห์าต่อมาอายที่นะครับ ذ ا ي د و ا ل ذ ن آ و ا وعملوا الصالحات ل ่ م ม์ม غفرة และอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรื่องของเราหมดเลยไปนน้ที่กระทำผิดะต้องได้รัลงโทษอย่างหนักหน่วงผู้ี่เอและกะิต لهم ว غ ف า ة وأجر كريم الحمد لله الله أكبر ข้อนี้ต้องการจะอธิบายให้ท่านนาบีฟังคือย่างนะพระคุรานเะนี่ยมันจะลงให้ใครให้นบีคนเดียวนะแล้วก็นบีก็ามาสอนพวกเรามาสอนคนในอาหรับมะกาวนะัยนแยกว่าที่อยู่บนโลกใบนี้มีคนอยู่สองกลุ่มเท่านั้นแหละ เราไปคิดเยอะมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งอัลลาฮินากาฟาลูเห็นยัางครับพูดพูดกลุ่มไหนก่อนกลุ่มปฏิเสธก่อนเยอะกว่าเนี่ย้ยกย่องให้เกียรติแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธปฏิเสธอะไรอธิบายได้เลยปฏิเสธอัลลอ์ปฏิเสธนบีปฏิเสธอัลกุรอาน ปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟื้นปฏิเสธว่าวันกิยามาไม่มีมีความดีจะได้รับรางวัลโกหกตายแล้วไม่ฟื้นใครว่าฟื้นโกหกนี่ปฏิเสธเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะคนกลุ่มนี้บนโลกนี้เยอะไ้ย <Okay. S 1> ฉันทำเองเยอะมากครับฉันทำธุรกิจนี้สำเร็จเพราะฝีมือของฉันเพราะความรู้ของฉัน เพราะสมองของฉันปัญญาของฉันอ่อไม่เกี่ยวกลุ่มนี้เยอะมากในโลกกลุ่มนี้ครับที่โรคระบาดกับพวกกลุ่มนี้เหมือนกันน้และมุสลิมก็แสมด้วยใช่ไหมวันละอัลลาฮิณากฝฟรูบรรดาผู้ปฏิเสธพวกปฏิเสธทุกอย่างนะดอกเบี้ย <c oughs> ก็กินใช่ไหมไม่ใช่ซินาก็ทำใช่ไหมบาก็เข้าไนท์ครับก็เข้า เรื่องอภัยคนมีไหมมันกม็มีเหมือนกันแต่น้อยมากครับอิชาทิษยาแข่งกัรสารพัดบางทีโลกมันรักไม่ไหวเราล้างสถทีหนึ่งครั้ง น, น, นี้ล้างนะพอๆกับพว้วนหนักกว่าสงครามครั้งที่สองนะมีบางคนพูดกันนะ world war world world war, world war ครั้งที่สองนะครั้งนี้หนักกว่าค่อยๆดูกันต่อไปก็แล้วกัน ลลนะครับลลอีนับอลรฝรูบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั้นละหุมสำหรับพวกเขาอาซาบุญการลงโทษชะดีดุนหนักหรือเบาชะดีดกับสาดิดเงี้ยสามีตบหน้าภรรยานะก่อนที่จะร่วมหลับนอนนะะเ ด, ดิชะดีดอาภาษาก ร, รอางกฤษไปใช่ทำอัลลอฮลงโทษแบบรุนแรง นี่ก็โรคโควิดนี่มานี่ก็อาซาบุญชาดีดไหมชาดีดครับแค่โรคเดียวนะเจ็ดพันล้านนี่ปั่นหมดเลยใช่หรือไม่ใช่นอกจากมุมินมองโรคโควิดเป็นระหมาย้ำกุสซุฟีใบที่ฮีพักอยู่ในบ้านของเขาเรียกว่ากักตัวซอบิรอนมัห์ตสิบนันทั้งอดทนและหวังรางวัลตอบแทนจาก Allah, อัลลอฮอาจรุชาฮิดมีรางวัลตอบแทนเท่ากับตาชาฮิตมุสลินคิดแบบนี้ แต่คนกาเฟตอาจาบุญสวดีดุลเป็นการใด น, นะเป็นการลงโทษที่รุนแรงกลับตัวได้แล้วหันมาเรียนศาสนาเธอพี่น้องเอ้ย <c oughs> มาเรียนอิสลามเนี <c oughs> ่ยเอาลเปิดโอกาสให้เรียนแล้วนะที่ประเทศอะไรมีคนส่งลายมาสู้หยุดที่กลางถนนแล้วแล้วมีใครทาแล้วมึง เอาเอาคนมาเปิดประชุมแล้วอ่านกูอ่านกูรานเห็นไหมคุณเฉลเลอแล้วหมดโทรสัพท์ราบฟังอะไรนะเอาเอาเอาคนซีเรียในในในในในในอเมริกาที่อพยพไปนํำอันมาขอด้วยก็แอัลลอ์บานหลวมก็บางทีก็เครียดเคียดมืกรไม่ออกอาซานดีกว่าไปเรียกอิมามมัสยิดมะมาอาซานในบทกลับหาอัลลอฮ์เถอะ ผมนึกถึงมอนาอบูฮุสซัน อ, อดีตประธบดีมหาวิทยาลัยผมนะเสียชีวิตไปแล้วเรออาทีมุฮลล็อนนะก็กไปไปเที่ยวอเมริกามายุโรปมาก็าบอกว่าความรู้ที่คุ้นได้รับนะแล้วเปลี่ยนหม่ได้ไหมเอาความรู้ผ่านมูฮัมหมัดไปชาติอยูดี ด, ดีดีความรู้ที่ผ่า น, นผ่านนาบีคุ้เนี่ยนะมันพูดนบีมูซาอิซา ไม่ใช่นา บ, บีจริงแต่มาในพวกความรู้ที่เราได้มาแต่บางทีคุณคิดเองก็เยอะใช่ไหมล่ะเอาความรู้ที่ผ่านน บ, บีมาหมัดไปใช้าดูสิอะไรมันจะเกิดขึ้นเราจะเปลี่ยนแปลงความรู้เหมือนกันถ้ามาอาศัยความรู้น บ, บีนะเป็นความรู้ที่ม่มีบราระกัดมีแต่ความรู้ความรู้จึงเยอะแยะนะแต่ยาชู ก, กตตอลอไม่เป็นอัลฮัมยุลิลละกา ว, กาวไม่เป็นนะนั่นความรู้ที่ผ่านน บ, บีหรือเปล่ามันจะผ่านน บ, บี ความรู้ที่ผ่านนาบีคนมีความรู้เขาถมนอบนอบ้นอมถอมตนหมดไม่มีใครตะกั บ, บุตรเยอะยิงจงของนี่ความรู้เยอะกับตะกั บ, บุตรเยอะยิงจงของได้ยังไงอะ่ะใครต้องความรู้ที่เอ็ได้รับมานั้นอะ่ะเป็นความรู้ที่ไม่ผ่านนาบีถ้าผ่านกุณอ่านผ่านนาบีนะทุกคนที่มีความรู้เหมือนต้นเลยนะต้นข้าวนะ่ะเวลามันมีรวมเยอะๆนะเป็นไงมันชูเรือมันมันนอ้อมอ่านี่คนก็เหมือนกัน มีความรู้มีอีหม่านมีตักวามียัตีนมียัสซามีอิคลาสมีซุน่านาบีมีตักวานอบนอบ้นอมถ่อมตนหมดไม่มีใครตะกับบุตรสะกอ น, นงงึังเยอะยิงไม่มีทุกดาก็ับครับครับครับครับแบบนาบีฮะมัดซอบ้านนบีทุกดากนั่งใจเงียบไปหมดทำไม่เห็นยังครับกันความรู้เนี่ยอันอันตรายนะถ้าความรู้ไม่ผ่านนาบีเองไปเจอแบบนี้แนหะร้อยปีเจอทีร้อยปีเจอทีร้อยปีเจอที ต่อมาครับกลุ่มที่สองวัน ล, ละีนาอามานูวะอามิลุซอลิฮ์ส่วนบรรดาผู้ที่อีมานนี่กลุ่มที่สองอัลลอ์เอ่ยรั้งที่สองเอ่ยกลุ่มใหญ่ก่อนกฟารูผูป้ปฏิเสธอลัลลอฮ์ปฏิเสธรบซูนปฏิเสธกาทั้งหมดนี่นะอาซาบุญชัดีเขาว่า อาาบซาดีแตสุใหญ่ในวันกียามะแต่บนดุนยาคนนานๆมีทีหนึ่งเตือนให้นึกถึงอัลลอฮ์สุภาโนวดาลาว <S <S <ess> ันละทีนาอามนูส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีองค์เดียวนะศรัทธาต่อับบีมุฮัมมัดอะไรนะบลัยกะรอซูลยามุลกียามะกะอตาะกอดักรงรวมหมดเลยนะแต่อิสลามมีห้าข้อเองนะนมาดะกาถือบวชนี่จะมาอีก อ, อีกไม่กี่วนันใช่ไม แล้วก็ทำํทำฮ ادي ทําอุมรปีนี้กับศัตรูปิดวงแล้วมนะั้อุมรก็ไมาต่องไปนะฮ ادي ก็มาต้องไปครับวันละนินามนูวาอามลุซอลเเลอีมานอย่างเดียวไม่พอต้องมีอามันซอลเลละด้วยเห็นยังอามันของคู่กันนะอีมานกับอามันของคู่กันไม่ใช่อีมานอย่างเดียวมีทําความดีอย่างเดียวไม่มีอีมานอาลัลลอฮ์ก็ไม่รับต้องมีอีมานแล้วก็มีอามันจุซอลเล้วควบคู่กัน ละหุ่มสาหรับพวกเขาเหล่านั้นคำว่า ล, ล่ามาอย่แล้วใช่ไหมมาก่อนน่ะลี่ยากูนลี่ยากูนใช่ไหมอันนี้ลาละหุ่มสาหรับพวกเขานั้นอะไรรู้ไหมใครมี إ ม م ا ن ต่ออัลลอฮ์แล้วมีอามัลเจาะและมากระฟีรอตุนการอภัยโทษต่อ AH อัลลอฮ์จะติดตามมาทันทีอัลลอฮ์แค่โรคโควิดมาเนี่ยมุหมินผู้จะรับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์มองโควิดเป็นรอฮมะเห็นยังครับ เห็นยังนะเข้าใจนะเป็นร้อยมากต่อมาครับว่าอาจรุมการีแล้วก็มีรางวัลอาจารว่ารางวัลการีมแปลว่าอะไรนะโอลรางวัลอันใหญ่หลวงเลยยิ่งใหญ่มากมองโรคโควิดนะ่ะเป็นร้อยมากนะี่ยเหตุการณ์นี้มาใจรางวัลเหรอมคนอื่นเราก็พลานกันหมดเนาะ แต่มุมินมองเป็นราะมะอัจรุนรางวัลอยู่บ้านก็มีรางวัลใช่ไหมผลบุญมีไหมมีครับตายชรหิตเห็นยังอะ่ะ้ามองยังไงนะถ้าเรามองแบบอิสลามอาจบั ล, ลีอัมริลมุมินคนมุมินนี่แปลกมากน บ, บีสอนเองนะเขาได้รับความสุขความสบายเขาชุกชุต่ออัลละ์เวลาเขาได้รับความลำบากเดอร้อนเขาสบัิอดทนไม่โวยวาย นั่งยบบนี้บิกรรลล้องต้องเป็นแบบนี้จริงๆนะเอาต่อมาครับต่อมาครับอายาสุดท้ายอัลลอฮฺอาฟามันอาฟะมันซุยยินะเลวุสูอูอัมมัลิฟฟาระอะหูฮัสซานา فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الحمد لله يا سطحى أ َ ف َ م َ ن ْ ز ُِ ي ن َ لَهُ س ُ ع َ ل ه ف َ ر َ ه ُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا ت َ ذ ْ ه َ ب ْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ ح َ س َ ر َ ا ت อินนัลลอฮะแกลิมุบ์บิมายัซนาอูน alhamdulillah ยัตสุทัยนะครับเรื่องดีๆเลยนะเรื่องไซตตอนอีกเหมือนกันไซตตอนนี่นะครับมันจะอะไรนะมันจะล้างสมองล้างสมองใครสมองมนุษย์จูงสมองย้อมสมองโอ้อักบัด ให้มองงานชั่วซูออามาลิฮีเนี่ยงานชั่วงานชั่วช่วมีอะไรบ้างกินดอกเบีย้ยงานชั่วไหมอ่าทรยศต่ออัลลอ์งานชั่วปฏิเสธนบีมุฮัมมัดว่ามไม่ใช่เป็นนบีเป็นงานชั่วอีมานว่าไม่มีวันอาครอเนี่ยกับงานชั่วหมดเลย กรดก็ออกกดัดไม่มีเป็นงานชั่วทรยศต่อพ่อแม่เป็นงานชั่วตัดขายกับญาติพี่น้องเป็นงานชั่วโกงเงินคนเป็นงานชั่วโกงตัดช่างเป็นงานชั่วทะเลาะกับญาติพี่น้องเป็นงานชั่วตัดขายกันเป็นงานงานชั่วมีประมาณเท่าไหร่คือเรื่าบาปใหญ่ๆนะ่ะประมาณร้อยกว่างานชั่วทั้งหมดร้อยกว่ารายการนี้ใส่ตอ่อ มันสามารถย้อมสมองให้คนนั้นมองงานชั่วเป็นฟาโราห์ฮุฮัสนามองเป็นงานดีมันเก่งมันเก่งนะเนี่ยเอาลอเล่าให้ฟังครับอาฟาแนรุยยนะินาผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขา ถูกทำให้เ พ, พริศแผลวถูกทําให้บัรเจิดถูกทําให้มองว่าสวยงามแล้วเขามองรู้ว่ามันดีงานชั่วทั้งหมดที่อัลลอฮห้มห้ามห้ามห้ามนี่นะแต่ชายตอเนี่ยมันมันยอมยังไงอ่ะมองเป็นงานดีหมดเลยงานทองก่อนแต่งเป็นงานดีงานทิ้งสุ น, นัขนาบีเป็นงานดี งานทะเลาะ ก, กันเป็นงานดีงานตัดขากับญาติพี่น้องเป็นงานดีงานทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ตัดขายกับพ่อแม่ตัวเองเป็นงานดีมันยอมสมองได้เก่งมากเลยนะนี่กุอ่านเล่าให้ฟังระวังเีตตอนได้ดีนะครับมองไม่เห็นตัวนี้แหละอิทธิพลมันเยอะมากกับอาฟามันรุยยินาละหูสูอูอามาลิฟรอ า, าูฮซนาผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขา ถูกทำให้เพิดแผลถูกทำให้สง่างามถูกทำให้ถูกอกถูกใจแล้วมองว่างานชั่วนั้นเป็นฟาโรห์ฮุฮัสซานมองเป็นงานดีหมดเลยเั็นไครับงานชั่วมองเป็นงานดีตกเมียงานงานดีเตะเมียเป็นผูะมุสลิมมโทรสาพมาหาผมเยอะ ชั้ทั้งตบชั้นชั้นเตะชั้นชั้นจะเลิกแล้วนะอดทนไดทท้ที่รู้เนี่ย<ม>เพราะเขาาบ้านโทรสารมามาปรึกษามราระดกโกงกัอะไรกันเขามองไปงานดีหมดเลยอนะ่ะท่านอิสลามสอนนะงานชั่วคืองานชั่วใครสอนนบีสอนแต่งานชั่วหรืองานที่ฮารอมเนี่ยมันมองไปงานฮารานหมดเลยอนะ่นี่พบอ่านฮะดิษพบเนะี ร่วงโรค ร, ร, ระบาดครั้งนี้นี่นะมีอยู่สองสามเรื่องนะหนึ่งของฮารอมกลายเป็นฮาร่าเรื่องของมึนเมาดื่มของมึนเมาเป็นของธรรมดาฟังเพลงเล่นดนต ร, น ร, ร, ดนดรีเป็นของธรรมดากินดอกเบี้ยเป็นของธรรมดาทำสีนะาเป็นของธรรมดาถึงได้เกิดโรคนี้นี่โรคนี้พอาจริงมันทุกๆ มันก็ทุกทุกบาปที่ทำกันไว้น่แหละแต่เรื่องนางก็คือจีนากับอะไรนะดอกเบี้ยทำจีนาครับโรคนี้มากล้าทำทีนาเปล่าไม่กล้าแล้วพออยู่ห่างสองเมตรนะ่ะเอาทำไงอะ่ะขณะสามีภรรยายังไม่กล้าถูกตัวกันเลยน่ะเ <c oughs> ็นยังครับไม่ใช่มาจากใครมาจากอาลัลลอ์ทั้งหมดประเทศ อะไรนะอะไรนะเดดซีนะที่นั่นนะผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันใช่ไหมเรียกว่าเกยใช่ไหมในอิตาลีเกยเยอะไหมอ่ะอย่าไปแตะเยอะบาปเล่าให้ฟัง <laughs> จอเลมกันอาธรรมกันในสังคมจะเต็มไปหมดนะเพราะอะไรครับเพราะเราห่างหลักการอิสลามนะดูถูกอิสลามดูถูกกูอานดูถูกสุนนนานบี คณะชายต้อนนั่งหามูฮัมหมัดมาแล้วไปดูหน้าจะไปเล่นงานไปเจอใครนั่งยิบรียนผวากันหมดเลยไม่กล้านั่งอ่ะสุรัตฟาติฮามาชายตอนดิ้นพลาดเลยอ่ะขึ้นข้างบนไม่ได้มันยังดิ้นพลาดเลยมูฮัมหมัดมามันยังดิ้นพลาดเลยวันนี้มันก็นดิ้นต่ออีกเดาวสบินดามีอะไรอ่ะต่อมาครับ ง, งานชั่วงมองไปงานดีกล่าวเรื่องที่สอง ฟ้าอินอัลลอฮฺให้อยู่ดีหรือไม่ยาเชแท้จริงแน่แท้อัลลอฮ์ทรงปล่อยให้เราหล่นหรือหลงทางผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์วายะฮ์ดีไม่ยาเชและอัลลอฮ์ทรงนำทางผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เหมือนกันขอบคุณนะที่อัลลอฮ์ให้มุสลินกลุ่มใหญ่นะในโลกนี้นะครับอยู่ในคุณทางของอัลลอฮ์ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์นะครับ ต่อมาครับ فلا ت ذ นี่อัลลอ์ปลอบใจน บ, บีนะอนยายะที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วสินะปลอบใจน บ, บีใช่ไหล่ะเพราะว่าน บ, บีถูกด่าเยอะใช่ไมล่ะอัลล อ, อ์บอกมึงมเลยคนที่มาก่อนหนะ้าท่านก็ถูกด่าใช่ไหมนี่ปลอบใจไหมนี่ก็ปลอบใจอีก فلا ت ذ ه ซุก س ك أ ل ا ه ฉนั้นจงอย่าให้ชีวิต ของสูรเจ้าของท่านนาบีเนี่ยนะหมดไปด้วยการตอมใจระทมใจเสียใจเพราะนบีมีนิสัยแบบนี้นิสัยดีมากนะเห็นใครไม่ไอายอิสลามหนบีเสียใจเป็นห่วงขนาดลูกยิวก่อนจะตายเป็นเด็กมาอยู่กับห น, นบีบ้างแล้วก็พ่อเขส่งคนมาบอกม า, มาประจำหนบีที่ลูกฉันเนี่ยป่วยหนะักใกล้จะตายแล้ว หลานนาบีก็ป่วยง่ะแต่นบีไม่ไปแม่ดูไปก่อนที่ลูกยูป่วยนบีไปก่อนน่ะพอไปถึงไปนั่งที่ศีรษะของเด็กลูกของยวพี่บอกว่ารับกล่าวปริมาณนี่สิลูกก็มองหน้าพ่อเพราะว่าลูกเชื่อเชื่อมหมัดเลยนบีก็กล่กกาวละอิละฮะอิละลาเด็กก็พูดตาม อัชาดูอัลเลาอิลาห์อิลลัลลอฮฺหัวอาชาดูอัลนางมุฮัมมัดอัลลอฮฺสุดเด็กก็พูดตามน บ, บีก็เดินออกมาเด็กบอกว่านี่เด็กคนนี้ปลอดภยัภยจากไฟนรกแล้วน บ, บีเป็นห่วงคนนะแต่ท่านอลัลลอฮฺเลยสั่งมุฮัมมัดเอ๋อย่าให้ชีวิตของท่านในหนะาศูนย์สิ้นหรือหมดไปด้วยการระทมใจ อินอัลลอฮฺอาลีมุบิมายัสนาอูนแท้จริงอัลลอทรงอะไรครับทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำอัลลอรู้หมดอัลลอฮจัดการหมดแต่นั่นไม่ต้องห่วงเมื่อทำท่านทำหน้าที่สอนแล้วเขาดา่าท่านท่านก็อดทนขนาดอดทนแล้วยังเป็นห่วงต่ออีกอะไม่อยากจะเห็นใครเดินตกนรกสักคนหนึ่งระเบียงมาห ม, ามาเป็นอย่างนี้ เรื่องสมนำหน้าไม่มีอลัลลอฮ์รู้เลยพูดประวณีมะมัดเอ๋ยอะไรนะอย่าให้ชีวิตสูญสิ้นหรือหมดไปด้วยความระทมเนื่องจากพวกเขาแท้จริงอลัลลอส์ทรงรอบรู้แล้วก็สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติทั้งหมดฉะนั้นอลัลลอ์จัดการเอมอมัดมีหน้าที่มาสอนอิสลามอย่างเดียวอลัลลอไ์ป็นองครับ หมดเวลาพอดีนะอัลลอฮ์เรื่องจะพูดเยอะมั้ยเยอะสุภานัลลอฮุมะบฮัมดิกะอลาฮิลฮิลลอันตะอัสตือราก็อัตุบวิไล